ตอนที่132ไม่รู้จักรับไมตรีพรสวรรค์ของหลีหวานทําให้าศาสตราจารย์เจียงถึงกับตกตะลึงต้องรู้ก่อนว่าความรู้เหล่านี้เธอยังเรียนรู้ด้วยตัวเองที่บ้านมาโดยตลอดเขาที่สอนลูกศิษย์มานานหลายปีไม่เคยพบเจอใครแบบนี้มาก่อนนอกจากความตกใจแล้วเขายังเริ่มสงสัยในความสามารถของตัวเองมากขึ้นไปอีกใช่แล้วเขาเกรงว่าตัวเองจะไม่มีความสามารถพอที่จะสอนลูกศิษย์ที่เก่งกาจขนาดนี้แล้วจะทําให้เธอเสียของได้อย่างไร ศาสตราจารย์เจียงครุ่นคิดไปมาจึงตัดสินใจพาเธอไปพบอาจารย์ของเขาซึ่งเป็นบุคคลระดับปรมาจารย์ในวงการแพทย์แผนจีนเสียววานอาจารย์ของผมคนนี้อายุมากและนิสัยก็ประหลาดหน่อยต่อไปถ้าท่านถามอะไรเธอก็ตอบไปตามตรงถ้าท่านเต็มใจจะยอมรับเธอเป็นสิทธิ์ได้จะดีที่สุดศาสตราจารย์เจียงพูดอย่างจริงจังต่อไปเราสองคนก็ถือว่าเป็นสิทธิพี่สิทธิน้องร่วมสํานักกันแล้วศาสตราจารย์ถ้ล้อเล่นแล้วคะ่ะ ลิวันกระตุกมุมปากยิ้มแห้งๆอาจารย์ของศาสตราจารย์เจียงไม่ปาเข้าไปแปิแล้วหรือร่างกายของคนชาราจะแข็งแรงก็เรื่องหนึ่งแต่ประเด็นสำคัญคือท่านจะยังได้ยินสิ่งที่เธอพูดชัดเจนหรือไม่หลิหวันเริ่มสงสัยในตัวศาสตราจารย์เจียงอย่างหนักเหล่าเซียอาศัยอยู่ที่เขตบ้านพักพนักงานมหาวิทยาลายัยการแทบปกติหากศาสตราจารย์เจียงว่างเขาก็จะมาเยี่ยมเยียนท่านผู้เท่าเสมอครั้งนี้ที่พาหลีหวันมาด้วยท่านผู้เท่าจึงรู้สึกแปลกใจไม่น้อยอะไรกัน ตอนนี้แก่แก่จนเดินไม่ไหวแล้วถึงคิดจะให้แม่หนูนี่มาเยี่ยมฉันแทน ง, งั้นหรือเหล่าเสี้ยเอ่ยกระซเอาอย่างอารมณ์ดีอาจารย์เด็กคนนี้พรสวรรค์ดีมากครับผมสอนเธอไม่ได้แล้วกลัวว่าจะทำให้ต้นกล้าดีๆแบบนี้เสียของผมเลยตั้งใจจะให้เธอติดตามท่านครับศา ส, สตราจารย์เจงทิ้งความเข้มงวดที่เคยมีในเวลาเรียนไปจนสิ้นท่าทางที่เขาใช้พูดกับเหล่าเสียนั้นนอบน้อมอย่างยิ่งผมรู้ว่าท่านอายุมากแล้ว แต่การที่ท่านทําแบบนี้ก็ถือเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่คนแค่จํานวนมากนะครับแม่หนูนี่อายุเท่าไหร่แล้วเหล่าเซี่ยมีใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยเหี่ยวยน่นแต่ดวงตาคู่นั้นกลับใส่กระจ่างผิดกับคนในวัยเดียวกันดูท่าทางแล้วหลังยังตรงหูยังดีตาไม่ฟ้าฝางสิบห้าสิบหกครับนี่แกพาเด็กมัธยมปลายมาหาฉันงั้นหรือเหล่าเซี่ยประหลาดใจไม่ใช่ครับเด็กคนนี้คือจุวงหยวนการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยของเมืองในปีนี้ตอนนี้เป็นลูกศิษย์ของผม ผมรู้สึกว่าเธอมีความสามารถมากครับศา ส, สตราจารย์เจียงนั่งลงขณะพูดไม่ว่าจะเป็นการตรวจชีพจรหรือการฝังเข็มเธอก็ทำได้หมดเรียนรู้อะไรก็เข้าใจได้ในทันทีครับเก่งอย่างที่แกพูดจริงหรือเหล่าเซี ย, ยยื่นแขนไปทางหลีหวานแม่หนูมาตรวจให้ฉันหน่อยสิเร็วเข้าศา ส, สตราจารย์เจียงส่งสายตาเป็นสัญญาณให้หลีหวานก้าวไปข้างหน้าหลี่หวานวางนิ้วตรวจชีพจร ร่างกายของท่านผู้เธอไม่มีปัญหาแค่อย่างน้อยก็ยังมีอายุยืนได้อีกยี่สสาสิบปีฮือฮเหล่าเสี้ยหัวร่าาคําพูดที่เธอว่ามาแค่ดูก็รู้แล้วไม่เห็นต้องตรวจชีพจรเลยเธอไม่เห็นอย่างอื่นเลยเหรอไม่คะหลีหวานสายหน้าอาจารย์ท่านรู้สึกไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าครับศาสตราจารย์เจียงยื่นมือไปตรวจชีพจร อ, อีกครั้งพรางขมวดคิ้วเขาก็ไม่พบว่ามีปัญหาอะไรชี พ, พจรของอาจารย์ก็เป็นเช่นนี้มาตลอดแกคิดว่ายังไงล่ะเหล่าเสี้ยไม่ตอบตรงๆแต่ถามกลับ ศา ส, สตราจารย์เจียงตรวจชีพจอนค้างไว้โดยไม่พูดอะไรเหล่าเสียเห็นดังนั้นจึงชักมือกลับท่าทางดูจะรำคาญเล็กน้อยแกดูตัวเองสี่อายุขนาดนี้แล้วทำไมยังไม่มั่นใจเหมือนตอนหนุ่มๆอีกแกตรวจได้ชีพจรแบบไหนมันก็คือแบบนั้นบางครั้งคําพูดของคนแค่ก็เชื่อถือไม่ได้แกต้องอาศัยการตัดสินใจของตัวเองในแงน่นี้แกยังสู้ความซื่อตรงของแม่หนูคนนี้ไม่ได้เลยเมื่อได้ยินดังนั้นศา ส, สตราจารย์เจียงก็ยิ้มแห้งๆ อาจารย์ไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วครับผมจะได้สบายใจเอาเถอะวันไหนที่โรงเรียนไม่มีเรียนก็ให้มาที่นี่ได้เลยเหล่าเสียยอมอ่อนข้อแต่ฉันก็อายุขนาดนี้แล้วไม่เหมาะจะรับลูกศิษย์ปอกให้ติดตามฉันไปก่อนก็พอหนูยังไม่ได้ตกลงค่ะหรี่หวานพร่องขึ้นมาทันทีหืมศาสตราจารย์เจียงและเหล่าเสียอุทานออกมาพร้อมกันด้วยความสงสยัยพวกโรคซับซ้อนหนูค้นคว้าจากตําราเองได้ไม่จําเป็นต้องกราบอาจารย์เพิ่มค่ะ หลีหวันเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยขอบคุณในความหวังดีของศาสตราจารย์นะคะที่หนูมาเรียนมหาวิทยาลายัยก็เพื่อต้องการวิธีการศึกษาเท่านั้นจะได้ไม่ถูกใครสงสัยในความสามารถเวลาไปรักษาคนอื่นค่ะความสามารถในชาติก่อนของหลีหวันนั้นไม่ได้ได้ไปกว่าปรมาจารย์แห่งวงการแพทย์แผนจีนเท่า น, นี้เลยการที่เธอตามศาสตราจารย์เจีส์มาก็เพียงเพื่อมาดูหน้าค่าตาของท่านผู้เท่าเท่านั้นไม่ได้คิดจะฝากตัวเป็นสิทธิ์ย่ยเด็กคนนี้ ศา ส, สตราจารย์เจียงตำหนิว่าเธอไม่รู้จักรับมิตริโอกาสแบบนี้ถ้าเป็นคนอื่นคงดีใจจนเนื้อเต้นไปแล้วคงเป็นเพราะเธอยังอายุน้อยเกินไปถึงไม่รู้ซึ้งถึงความเก่งกาจของเหล่าเซียเรื่องนี้ผมต้องไปปรึกษากับที่บ้านของเธอเธอไม่ต้องยุ่งหรอกศาสตราจารย์เจียงพูดตอนมาเรายังคุยกันดิบดีไม่ใช่เหรอมาอยู่ๆถึงเปลี่ยนใจละ่ะศาสตราจารย์ขหนูยังไม่เคยรับปากเลยว่าจะกราบอาจารย์หลี่หวันยักไหลด้วยท่าทางผ่อนคลายหนูไม่ได้ปฏิเสธความสามารถของเหล่าเซียนะคะ แต่หนูแค่รู้สึกว่ามันไม่จําเป็นค่ะเธอเอาเธอในเมื่อแม่หนูเขาไม่เต็มใจแล้วแกจะพาเขามาหาฉันทําไมเสียแรงที่เมื่อกี้ฉันแอบดีใจขึ้นมาจริงๆเหล่าเสี้ยสงสัยตาตําหนิไปยังาศาสตราจารย์เจียงเขาไม่เต็มใจแล้วแกจะไปบังคับเขาได้ยังไงอีกอย่างเรื่องกราบอาจารย์นัะไม่สําคัญหรอกวันหลังถ้ามีปัญหาอะไรยากๆ ก, ก็มาถามฉันได้โดยตรงครับาศาสตราจารย์เจียงไม่กล้าพูดอะไรอีก เขาพาหลีหวานกลับไปในใจยังคงรู้สึกไม่ค่อยพอใจนะักรู้สึกว่าแม่หนูคนนี้ไม่รู้จักรับเมตีเอาเสียเลยตอนนี้เธอคงไม่รู้หรอกว่าตัวเองได้พลาดโอกาสที่ดียิ่งใหญ่ขนาดไหนไปหลีหวานไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ในใจศา ส, สตราจารย์ห น, นูขอลาห ย, ยุดสักสองวันได้ไหมคะไม่ได้กลับบ้านนานแล้วคะ่ะได้สิเธอจะได้กลับไปปรึกษากับพ่อแม่ดูด้วยเรื่องของหนูหนูตัดสินใจเองได้ค่ะไม่ต้องปรึกษาพวกเขาหรอก อายุแค่นี้เธอจะตัดสินใจอะไรเองได้นูตัดสินใจเองได้ทุกเรื่องคะ่ะศาสตราจารย์เจียงไม่อยากเถียงกับเธอจึงโบกมือปัดเอาเธอตามใจเธอแล้วกันศาสตราจารย์เรียกผมมามีอะไรหรือครับเหวอนโม่คอประตูเดินเข้ามาในห้องทำงานและรู้สึกแปลกใจที่เห็นหลี่หวันอยู่ที่นี่ด้วยมาได้จังหวะพอดีผมถามหน่อยว่าเธอรู้จักศาสตราจารย์เซียผู้เท่าในวงการแพทย์แผนจีนของเราไหมรู้จักครับ ดวงตาของเหวินโม่เป็นประกายผมได้ยินมาว่าศาสตราจารย์เซียผู้เท่าเป็นอาจารย์ของท่านด้วยไม่ทราบว่าตอนนี้ท่านผู้เท่ายังแข็งแรงดีอยู่ไหมครับถ้าผมมีโอกาสได้ไปกราบเยี่ยมท่านสักครั้งคงจะดีไม่น้อยดูสินี่สิถึงจะเป็นปฏิกิริยาของคนปกติศา ส, สตราจารย์เจียงชี้ไปที่เหวินโม่พลางถอนหายใจอย่างอ่อนใจท่านผููเท่าแข็งแรงดีมากพรุ่งนี้บ่ายไม่มีเรียนเธอช่วยมาคุมนักศึกษาท่องตำราแทนผมหน่อยใครที่ท่องจุดความรู้ไม่ได้ก็ให้ไปยืนข้างนอกซะ อ้อครับครับได้ครับเหวนโม่พยักหน้าอย่างงงงไม่ค่อยเข้าใจความหมายที่าศาสตราจาจรย์เจงสือเมื่อสักครู่เท่าไหร่นักเสียวหวานเมื่อกี้าศาสตราจารย์พูดแบบนั้นหมายความว่ายังไงเหรอเหวนโม่กังวลว่าตัวเองจะหัวช้าจนตามไม่ทันจึงลองถามหลีหวานดูเขาคิดว่าฉันไม่รู้จักรับเมตรีนะสิหลีหวานพูดอย่างไม่ใส่ใจฉันก็เรียนของฉันอยู่ดีๆเขาจะให้ฉันไปกราบศาสตราจารย์เซียพูดเ่าเป็นอาจารย์ให้ได้แถมยังบอกว่าเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายที่ท่านจะรับอีก ฉันมาที่นี่เพื่อเรียนหนังสือไม่ได้มาเพื่อกราบอาจารย์มันไม่จำเป็นนะอะไรนะเวนเม่เผลออุทานออกมาเสียงดังเธอเธอช่วยพูดใหม่อีกรอบได้ไหมท่านพูเทาเซียจะรับเธอเป็นศิษย์งั้นเหรอ